hmm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 พอหลายพอท่าให้อาภัยแล้วเนี่ยความโกรธมันก็จะหมดพิษสงหรือว่าค่อยๆ เ, ยเสื่อมสลายหายไปความโกรธมันจะบอกเราว่าอย่าให้อาภายัยแล้วถ้าใครมาแนะนำว่าให้เราให้อาภัยเนี่ยเราจะพลอยโกรธคนนั้ น, นคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวเราอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นคนรักนแต่ถ้ามาแนะนาว่าให้อาภัยก็ไปเถิดนะคน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 ก็กลวแม่จะตายไม่สงบลูกก็พยายามบอกแม่ว่าให้อภัยก็ไปเถอะนะคนนั้นเน่ยอย่าไปสนใจเลยแม่นี่กลับโกรธลูกนะแล้วก็ต่อว่าลูกอย่างรุนแรงเหมือนกับว่าลูกเนี่ยกำลังมาช่วงชิงเอาของรักของห่วงไปจากแม่ลูกไม่ได้ทเลยเลยนะแต่ว่าสำหรับแม่เนี่ยการที่ลูกมาแนะนำเนี้ยแม่ไม่พอใจเหมือนกับว่า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 ถ้าเราไปเนี่ยนะมันจะมีอํานาจต่อจิตใจเราน้อยลงมันจะสั่งให้เราเนี่ยนั่งเจ้าจูกนะคิดวกไปวนมาถึงคนที่จากไปถึงของที่หายไปเป็นต้นแล้วเวลาฟังเพลงนะมัสั่งให้เราฟังเพลงอะไรมันมันไม่เคยคิดอยากจะฟังเพลงสนุกสนานเลยนะม่สั่งให้เราฟังเพลงเศร้านะเพื่อที่เราจะได้ตกอยู่ใน้ํานาจความเศร้ามากขึ้น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 บางทีถูกไล่ออกจากงานหรือว่าใช้ใจ่ายนะไปกับเรื่องเหล้ามากขึ้นจนกระทั่งเป็นนี่เป็นศินผลก็คือเครียดหนักขึ้นกลุ่มหนักขึ้นแล้วก็เลยต้องกินเหล้ามากขึ้นนะเพื่อดับกลุ่มมันก็เป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองมากขึ้นทำให้จมอยู่ในวัฏจักรแห่งความเครียดความกลุ่ม อ, อกกลุ่มใจอันนี้เป็นเพราะความเครียดบงสั่งนะ แล้วก็มันก็ยิ่งนะครองจิตครองใจเรามากขึ้นสุดท้ายบางทีนะกุ้มใจหนักเข้าเนี่ยฆ่าตัวตายเลยมีพฤติกรรมอ่าเปรียบกับการฆ่าตัวตายเหมือนกับไอ้พวกปลาที่มันเข้าหานกนะหรือหนูที่มันเข้าหาแมวให้ลองดูนะว่าคนเราเนี่ยจะว่าไปเนี่ยเราอ่าถึงแม้เราจะไม่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 เป็นอันตรายของคนสมัยนี้มากดังนั้นสิ่งจําเป็นที่เราควรจะมีนะัคือการรักษาใจของเรานะไม่ให้อารมณ์หลอนยิ้เข้ามาครอบงำนะหรือไม่ให้อารมณ์นี้เข้ามาใช้เรานะเพื่อปกป้องตัวมันนะเป็นองครักษ์พิทัก์ตัวมันหรือว่ามีพฤติกรรมที่เป็นโทษกับตัวเราเองจนกทั้งเหมือนกับว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะทางอ้อมแต่บางทีก็ฆ่าตัวตายจริงๆก็มีนะเพราะว่า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 พออัตตาเข้ามาครองใจแล้วเนี่ยมันก็สั่งให้เราปกป้องอัอตตาใครมาว่าเราเราก็ตอบโต้ด่ากลับไปนะใครคิดไม่เหมือนเราเนะมันเหมือนกับว่ามากระแทกอัตตาของเราเราก็มองเขาเป็นศัตรูภัยของคนเราสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งนอกตัวเท่าไหร่สมัยก่อนภัยของคนเราเนี่ยมันอยู่นอกตัวเป็นส่วนใหญ่นะเช่น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 พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าโจรกับโจร น, นะทำร้ายกันเนี่ยก็ไม่ก่อความเสียหายมากเท่ากับจิตที่วางไว้ผิดนะลองนึกภาพนะโจรเนี่ยนะมันเกลียดกันเป็นโกรธกันเนี่ยนะพอมาเจอกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่จองเวรกันพอมาเจอกันเนี่ยโอ้ลังแคฉกันหน้าดูเลยแต่ก็ไม่ก่อความเสียหายมากเท่ากับจิตที่วางไว้ผิดในทางตรงข้ามเนี่ยพ่อแม่เนี่ย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 ยึติดในสิ่งที่ผ่านไปแล้วเก็บเอามาคิดนะเก็บเอามาเป็นอารมณ์นะทำให้จิตใจเศร้าโศกนะทำให้โกรธเคืองนะหรือว่าทําให้เกิดความอะไรเอาวรนให้การคุ้นคิดถึงความความสูญเสียความผิดพลาดมันไม่เพียงแต่ทําให้เกิดความโศกเท่านั้นนะแต่ว่ามันอาจจะทําให้เกิดอาการซึมเศร้าเลยก็ได้ เดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ของคนซึมเศร้านี่เกิดกับคนทุกเพศทุกวัยแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีความเครียดนะความเครียดเพราะความหวาดกลัวก็ได้เดี๋ยวนี้มันเพราะมันมีความเครียดชนิดหนึ่งนะอ่าเขาเรียกว่า post trauma stress disorder นะแปลว่าอะไรความเครียดที่เกิดจากความเจ็บปวด อาจจะคนที่ผ่านสงครามคนที่ผ่านเหตุการก่อการร้ายคนที่ผ่านไอเหตุการภัยธรรมชาติหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เจอนะด้วยตัวเองนะแต่ว่ามีโอกาสจะเจอนะไม่ได้เจอเองเลยนะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันมีโอกาสจะเจอเนี่ยนะเครียดมากๆเนี่ยก็เป็นโรคนี้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยนะมันย่ำแย่ไปเลย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 เจ้าของร้านเนี่ยซึ่งเป็นสามีของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจพอเถียงกันหนัหนกๆเนี่ยก็เลยเอามีดโตเนี่ยนะขู่แล้วก็ไล่ไวัยรุ่นนะกลุ่มนั้นออกไปเพราะถ้าทางมันจะทะเลาะกันหนักคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วต้องเอามีดนะไล่ไอ้วัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ไปนะสักพักก็กลับมาพาพวกมาพร้อมกับมีดพร้อมกับปืนแล้วก็ยิงกันนะ ก็ปรากฏมีคนตายน ะ, ะสามีคือเจ้าของร้านก็ตายส่วนไอ้วัยรุ่นนี้ก็ตายนะเพราะโดนมีดตายไปสองศพสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะก็คือว่าไอ้อนกเนี่ยมันขี้ตกลงมาใส่หัวตกลงมาบนหัวของวัยรุ่นไอ้วัยรุ่นเนี่ยมันไปปรุงแต่งนะว่าเนี่ยเป็นน้ําลายนะที่ถูกทมมาจากเมียเจ้าของร้าน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 ทันอารมณ์เนี่ยมันรู้ว่าแล้วมันทำให้ละและจะรู้ได้ก็เพราะการมีสติเนี่ย เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราอยากจะรักษาใจของเราให้เป็นปกติอยากจะรักษาชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นอิสระนะปลอดพ้นจากภัยอันตรายที่มันจะครอบงำจิตใจเนี่ยก็ต้องพยายามหารักษาสติสร้างสติขึ้นมาเพื่อจะช่วยปกป้องรักษาใจของเราให้ได้คํำนียมเพื่อเท่านี้นะครับพะ